นี่ปัญหาต่อไปเลยนะในปาทสกัลิกาอตะปัญหาที่แปดหน้าสองรอยแปดสิบเอ็ดพระเจ้ามิเรนถามว่าพระกุณเจ้าหน้ากเกษพวกท่านกล่าวกันว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดำเนินไปแผ่นดินใหญ่อันหาเจตนามิได้นี้ก็ปรับที่ลุ่มต่ำทำให้สูงขึ้น ปรับที่โคกที่สูงทำให้ต่ำลงเรียกว่าถนนจะเสมอพอดีเป๊ะเลยแบบนั้นและยังกล่าวอีกว่าพระวะโตปาโดสกริกายะโตสเก็ตหินกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้นะตอนเสด็จพุทธดำเนินแผ่นดินราบเรียบใช่ไหมแล้วบอกว่าอีกทั้งหนึ่งสเก็ตหินมาชนพระบาทเข้าเพราะเหตุไรพอสเก็ตหินกระเด็น ตกมาที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสะเก็ดหินนั้นจึงไม่หันกลับไปเอา้าถ้าแผ่นดินมันยังยุบได้มันยังฟูได้ไอ้แค่สะเก็ดหินทําไมไม่เบี่ยงไปได้ล่ะหรือไม่มันก็หยุดถอยกลับไปซะทําไมไม่เป็นอย่างนั้นพระคุณเจ้านาเกษตถ้าหากว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดําเนินไปแผ่นดินใหญ่อันหาเจตนามิได้นี้ก็ปรับที่ลุ่มต่ําทําให้สูงขึ้น ปรับที่โคกสูงทําให้ต่าลงอ่ะถ้าจริงใสถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าสะเก็ดหินจะกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าสะเก็ดหินกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงใสถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดําเนินไปแผ่นดินใหญ่อันหาเจตนามิได้นี้ก็ปรับ ที่รุ่มต่ำทําให้สูงขึ้นปรับที่โคกสูงทําให้ต่าลงดังนี้ก็ไม่ถูกต้องสรุปว่ามันขัดกันเอ ง, งนเถอะแม้ปัญหาสองข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหาอนันต์เถิดเนี่ย น, น, นะ พนาเกษณ์ก็กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรข้อที่ว่าพระตถาคตจะเสด็จดำเนินไปแผ่นดินใหญ่อันหาเจตนามิได้นี้ก็ปรับที่ลุ่มต่ำทำให้สูงขึ้นปรับที่โคกสูงทำให้ต่ำลงและที่ว่าสเก็หินมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้นี้ก็เป็นความจริงเออมีอยู่จริงทั้งสองอย่างว่างั้นให้จริงทั้งสองอย่างฟังแล้วมันขัดกันว่างั้นก็แต่ว่า สเก็ดหินไม่ได้กระเด็นไปตามธรรมดาของตนคือไอแผ่นดินที่มันปรับตัวเนี่ยมันปรับตัวตามธรรมดาของมันเองแต่สเก็ดหินที่กระเด็นตกไปเพราะความพยายามของพระเทวทัตต่างหากที่ตกไปกระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าสเก็ดหินอันนั้นไม่ได้กเกิดขึ้นตามธรรมดาของตนแบบแผ่นดินที่พูดไปแต่สเก็ดหินที่กระเด็นมากระทบพระพุทธเจ้าเป็นสเก็ดหินที่ มาจากเจตนาของพระเทวทัตเป็นปัจจัยขอถวายพระพรพระเทวทัตถูกอาฆาตในพระผู้มีพระภาคเจ้ามาหลายแสนชาติหลายแสนชาตินะ่าตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้านะนะั่นแหละด้วยความอาฆาตนั้นพระเทวทัตนั้นคิดว่าเราจะงัดก้อนหินใหญ่ขนาดเรือนยอดให้กลิ้งไปทับพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วก็ปล่อยก้อนหินก้อนใหญ่นั้นไป ลำดับนั้นก็มีหินสองก้อนโผล่ขึ้นมาจากดินสกัดกั้นก้อนหินใหญ่อนั้นเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้เพราะการกระแทกกันแห่งก้อนหินเหล่านั้นก็สะเก็ดหินปริแตกจากก้อนหินกระเด็นตกไปข้างนั้นข้างนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้ามิลินก็บอกต่อไปว่าพระคุณเจ้าก้อนหินเล็กสองก้อนน่าจะสกัดก้อนหิน ตัวเล็กที่ไปกระทบพะบาทเอาไว้นะเหมือนอย่างที่สกัดก้อนหินก้อนใหญ่เอาไว้ได้ไอ้ก้อนใหญ่มันยังเรียกอะไรนะผู้เขาหินยังมารับได้ไอ้ก้อนเล็กน่าจะมีอะไรมารับไว้ว่างเหมือนกันนะพระน า, าเกษนก็บอกว่าขอถวายพระพรสกัดกั้นแล้วแต่ในบรรดาสเก็ดหินเหล่านั้นมีสะเกตดหินบางชิ้นเล็ดลอดไปได้ไม่หยุดอยู่กับที่อันนั้นเรียกว่าอะไรการควบคุมเหมือนกนะัลยขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่าน้ำที่เขาใช้ฝ่ามือเนี่ยวักขึ้นมาย่อมรั่วไหลออกไปทางร่องนิ้วมือไม่ขังอยู่กับที่เนี่ยนะใช้มือวักนะมันก็มีเล็ดรอดออกไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะนมสดเปรียงน้ำพึ่งเนยไสน้ำมันซุก ป, ปลาซุปเนื้อที่เขาใช้ฝ่ามือวักขึ้นมาย่อมรั่วไหลออกมาทางร่องนิ้วมือได้ไม่ขังอยู่กับที่ฉันใดขอถวายพระพรเมื่อหินสองก้อนโผล่ขึ้นมาเพื่อสกัดกัน้น ก็ยังมีสะเก็ดหินปริแตกจากก้อนหินเพราะการกระแทกกันกระเด็นไปตกข้างนั้นข้างนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมล็ดทรายที่เสมอด้วยฝุ่นละอองที่เล็กละเอียดที่เขาถือเอาไว้ด้วยกำมือ ย่อมรั่วไหล อ, ออกทางร่องนิ้วมือไม่ขังอยู่กับที่ชั้นใดใครเคยกำซายใช่ไหมมันก็รั่วออกไปทางช่องมือเล็กๆน้อยเนี่ยนยะขอถวายพระพรเมื่อหินสองก้อนโผล่ขึ้นมาสกัดกั้นก็ยังมีสะเก็ดหินปริออกจากก้อนหินเพราะการกระแทกกันกระเด็นตกไปข้างนั้นข้างนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าคําข้าวที่ยังอยู่ในปากย่อมมีบางส่วนหลุดตกไปจากปากขนาดทานข้าวเคยตกจากปากบ้างไหมนั่นแหละไม่ตั้งอยู่กับที่ฉันใดขอถวายพระพรเมื่อหินสองก้อนโผล่ขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นก็ยังมีสเ็ตหินปริแตกจากก้อนหินเพราะการกระแทกกันกระเด็นตกไปข้างนั้นข้างนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้นเหมือนกัน พระเจ้ามิลินก็บอกว่าเอาละพระคุณเจ้าก็เป็นอันว่าหินเล็กสองก้อนสกัดกั้นหินใหญ่ไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสเก็ดหินก็น่าจะทาความยาเกรงพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนอย่างแผ่นดินใหญ่บ้างขนาดแผ่นดินใหญ่อย่างคารพพระพุทธเจา้าไอแแพ่แผ่นหินน่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างไง้ยน่าจะเลื่อมใสบ้าง ขอถวายพระพรคน12บสอจำพวกเหล่านี้ย่อมไม่รู้จักทําความยําเกรงคน12บสอจำพวกอะไรบ้างคนที่ไม่รู้จักยําเกรงเลยนะสิประเภทหนึ่งรัตโตคนกําหนัดก็ไม่รู้จักทําความยําเกรงเพราะอะไรเพราะราคะเนี่ยราคามันรุนแรงเนี่ยที่จะเกรงใจใครเกรงใจตัวเองเกรงใจครอบครัรวเกรงใจพ่อแม่เป็นต้นนี่จะไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเลยนะมานึกคําวมาเด็กหนม่มคนหนึ่งมันอยากแต่งงานมากมันทำไงไ บอกจะไปขอให้หรือไม่ขอถ้าไม่ขอจะเผาบ้านเผายุ่งให้ตกลงจะขอให้หรือไม่ขอมันไม่เกรงใจแม้กระทั่งพ่อแม่ไว่าเงนินเพรา ะ, ะนั้นคนที่กำหนัดอยู่เนี่ยนะหรือช้างตกมันเนี่ยไม่เกรงใจขอเรียกว่าช้างเหลือขอกันเพราะแรงแห่งความกำหนัดทําให้ไม่รู้จักทําความยำเกรงอันนี้เหตุผลที่หนึ่งสองทุดโถคนโกรธย่อมไม่รู้จักทําความยำเกรงด้วยอํานาจแห่งโทสะเคยเห็นเวลาโกรธและเกรงใจอะไรบ้างไหมยากว่าเั้นเนี่ย บางทีเราหายโกรธมาแล้วเพิ่งนึกได้่ทําได้ยังไงพูดอย่างนั้นได้ยังไงหลายคนเนี่ยเสียอกเสียใจเพราะว่าพูดไปเพราะความโกรธเนี่ยนะเพาด้วยแรงแห่งความโกรธพูดจบแล้วก็มานั่งซึมนั่งเศร้าโรคเงาโรคง้อยโรคเสื่องโรคซึมเพราะอะไรเพราะอนุภาคแห่งความโกรธเพราะความโกรธที่เกิดขึ้นจะไม่รู้จักเกรงใจอะไรเลยนะวันแรงแห่งความโกรธทําให้ไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจข้อที่สมมุลหะคนหลงคนหลงก็ไม่รู้จักความยำเกรงด้วยอํานาจแห่งความ หลงมัเคยเห็น อ, อย่างสมมติาพวกเดราชาทั้งหลายผู้ลุ่มหลงเนี่ยนะรู้จักเกรงใจอะไรบ้างไหมรู้จักทําอะไรบ้างไหมจะทําชั่วทําอะไรทําได้ทั้งนั้นนะจะกัดกันที่ไหนเป็นต้นเนี่ยทำได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะความลุ่มหลงไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาสามารถทําได้ทุกอย่างเพราะความงูงมงายแล้วก็สี่อุนโตคนจองของพยองเนี่ยนะไม่รู้จักทําความยำเกรงด้วยอํานาจ มานะเนี่ยคนมีมานะมากๆเนี่ยไม่ยี่ยมเกรงอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเนยนะีสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะเนี่ยคนที่มีมานะไม่ไหวพ่อไม่ไหวแม่ไม่ไหวใครทั้งนั้นด้วยแรงแห่งมานะทั้งคนมีมานะมากๆก็จะไม่รู้จักยี่ยมเกรงอะไรแล้วก็ 5. นิคุโนโคนเนระคุณเนี่ยนี ย่อมไม่รู้จักทาความยำเกรงเพราะว่าหาความแตกต่างไม่ได้หมายคาอว่าแยกไม่ออกว่าใครเป็นผู้มีอุปการะคนใครไม่เป็นผู้มีอุปการะคนเมื่อแยกพระคุณไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่ามันก็พอกันหมดนะก็เลยเมื่อเป็นคนที่ไม่รู้พระคุณของคนเป็นต้นก็เลยไม่รู้จักทาความยำเกรงว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรแล้วก็อติทัตโถเนี่ยนะคนแข็งกระด้างย่อมไม่รู้จักทาความยาเกรงเพราะหา ความรู้จักหักห้ามใจไม่ได้คือใจที่แข็งกระด้างเนี่ยนะเรียกว่าคนใจใจใหยาบชาเนี่ยก็ไม่รู้จักเกรงใจอะไรเนี่ยนะคือคือไอความที่จิตใจใหยาบกระดา้างแข็งกระดา้างเป็นคนกักขระหยาบชา้าก็จะไม่มีความยำเกรงแล้วก็คนเลวก็วเจ็เนี่ยคนเลวไม่รู้จักทําความยำเกรงเพราะมีภาว ะ, ะแห่งความเป็นคนเลวเนี่ยนะคนเลวจะไม่รู้จักเกรงใจอะไรสักอย่างเนยนะแล้วก็วจนกระโร ข้อที่8ก็คือคนที่คอยทําตามคําสั่งก็ไม่รู้จักทําความยำเกรงเพราะหาความเป็นอิสระไม่ได้นายสั่งยังไงบางทีก็ต้องทําตามนั้นไปนะเพราะตัวเองไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพไม่มีอํานาจในการตัดสินใจอะไรทุกอย่างัน้นชีวิตของของตัวเองก็สุดแท้แต่คนอื่นเขาอะไรควบคุมใช่ได้รับการคอนโทรลจากคนอื่นอีกทีหนึ่งราะจะทําอะไรตามอํานาจคําสั่งมันคนที่ยึดมั่นในคําสั่งเป็นหลักจะไม่รู้จักยำเกรงอะไรสากอย่าง แล้วก็ก้าป่าโปคนชั่วช้าคนบาปเนี่ยนะคนบาปก็ไม่รู้จักทําความยําเกรงเพราะความตนีหรือว่าภาษาฉบับไทยบอกว่าคนที่ไม่รู้จักเสียสละคนตนีนี่ก็ไม่รู้จักยําเกรงนะจะไม่เกรงใจอะไรทั้งนั้นห้ามการให้ทานตัวเองก็ไม่คิดจะให้ด้วยแล้วก็ยังห้ามการให้ทานเป็นต้นด้วยเพราะกลัวสิน้นกลบเปลืองนะก็แรงแห่งความตนีนะไม่ต้องการให้ทรัพย์ของตนเป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่นก็จะ ไม่รู้จักเกรงใจอะไรสักอย่างเลยนะสามารถที่จะด่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นต้นทําได้หมดเพราะแรงแห่งความตรนีเสดทุกขาปิโตคนเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ก็ย่อมไม่รู้จักการทําความยําเกรงเพราะมัวแต่คิดบําบัดทุกข์เฉพาะหน้าคนที่กําลังทุกข์สาหัสเนี่ยนะจะไม่เกรงใจอะไรสักอย่างเลยนะเพราะอะไรเพราะมันเจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยนะมันทุกข์ทรมานมากคนที่ทุกข์ทรมานเนี่ยอยากคิดว่าเขาจะเกรง อ, อกเกรงใจไม่มี แล้วก็สิบเ็ดเนี่ยนะรถโถก็คือคนโลภก็ย่อมไม่รู้จักทําความยําเกรงเพราะความที่ถูกความอยากครอบงําเนี่ยนะคนที่อดอยากหิ้วห่ยมีแต่ความอยากมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาจะเอ า, จะเอาอย่างเดียวคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักยําเกรงว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเนี่ยนะครบผมกเล่าให้ฟังว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าเป็นพระพิสุเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาโลภติดใจในรถอาหารเข้ามาจะไม่ยําเกรงแม้กระทั่งพระเถระอะไรเป็นต้นนะบางทีก็อะไรนะก็ แม้ท่านอยู่ข้างหน้าตักเอาแต่อาหารที่อร่อยอรอยไปหมดแล้วคนข้างหลังจะฉันอะไรอย่างไงเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จักยำเกรงว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำไม่ควรทำกิริยา ม, มารยาวก็โอ้เสียหายมากพ่อะพระแรงแห่งความโลภเนี่ยนะสิบอระอายุหิตคนุ่นอยู่กับการทำงานก็ไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะมุ่งแต่จะให้สำเร็จตามที่ตัวเอง ต้องการอย่างแค่สมัยนี้ก็ช <S <S <ม>ัดเดยคนที่ขับรถมุ่งจะขอถึงที่หมายอย่างเดียวใช่ไหมสนใจแต่ว่าทํายังไงตัวเองจะถึงเร็วที่สุดเป็นต้นจะปาดหน้าปาดหลังปาดซ้ายปาดขวาคนอื่นก็จะไม่สนใจขอให้ตัวเองถึงที่หมายอย่างเดียวเป็นใช้ได้อันนี้เขาเรียกว่าคนง่วนอยู่กับงานหรือว่าคนง่วนที่ที่จะให้เข้าถึงอย่างที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะพวกนี้จะไม่สนใจอย่างอื่นทั้งนั้นขอให้ประสบความสําเร็จในภาระที่ตัวเอง <S <S ตั้งใจจ <restrictions> ะทำเพราะจะไม่สนใจเรื่องอื่นทั้งนั้น ขอถวายพระพรบุคคลสองจำพวกเหล่านี้แหละย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงก็แต่ว่าสเก็หินนั้นน่ะพอปริแตกเพราะกระทบการแหงก้อนหินแล้วก็ไม่ได้ทำการหมายทิศเอาไว้จึงกระเด็นตกไปในทิศนั้นทิศนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะบักขนาดคนนะสิประเภทยังไม่รู้จักยำเกรงและอะไรกับสะเก็หินแล้วนะ ขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าขี้ฝุ่นที่เป็นละอองเล็กละเอียดพอถูกกำลังลมหายใจกระทบก็มิได้ทำการหมายทิศอวัยย่อยมฟุ้งกระจายไปในทิศนั้นทิศนี้ชั้นใดอะนะฝุ่นที่ที่กระทบกับลมอะนะลมหายใจกระทบฝุ่นน่ขอถวายพระพรสเก็เหินพอปริแตกเพราะการกระทบกันแห่งก้อนหินแล้วก็มิได้ทำการหมายทิศไว ย่อมกระเด็นตกไปในทิศนั้นทิศนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรถ้าหากว่าสะเกตหินนั้นไม่เปรตแตกออกไปจากก้อนหินใหญ่ไซหินสองก้อนนั้นก็จะพุดขึ้นมารับสะเกตหินนั้นเอาไว้ได้อะนะเพราะมันแตกออกไปแล้วนี่แหละมันก็เลยควบคุมไม่ได้นะนี เรว่าแตกพักแตกพวกแตกแถวแล้วก็ยากที่จะดูแลกันขอถวายพระพรก็แต่ว่าสเก็ตหินนั้นน่ะไม่ได้ตั้งอยู่ในที่พื้นดินไม่ได้ตั้งอยู่แล้วในอากาศแต่ว่าปริแตกเพราะแรงกระแทกกันแห่งก้อนหินจึงไม่ได้ทําการหมายทิศเอาไว้ย่อมกระเด็นตกไปข้างนั้นข้างนี้ทิศนั้นทิศนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรืออีกในหนึ่งขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่าใบไม้แห้งพอถูกลมหัวด้วนพัดขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ทำการหมายทิศเอาไว้ย่อมตกไปในทิศนั้นทิศนี้ฉันใดขอถวายพระพรสเก็ดหินนั้นพอปริแตกเพราะแรงกระแทกกันแห่งก้อนหินแล้วก็ไม่ได้ทำการหมายทิศไว้ย่อมกระเด็นตกไปทิศนั้นทิศนี้กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรอันหนึ่งสเก็ดหินกระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่อจะทําให้พระเทวทัตผู้ชั่วช้าอาักตันยอยู่ได้เสวยทุกแลเพราะถ้าสเก็ดหินตัวนั้นไม่หลุดไปทบกระทบพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ไม่เป็นอนันตริยกรรมแต่ว่าสะเกตหินอันนั้นอ่ะช่วยทําให้เจตนาที่เป็นบาปของพระเทวทัตประสบความสําเร็จจะได้เสวยทุกสมเจตนาว่างั้น เพราะว่าเจตนาที่เป็นทุกข์ะนะก็ทำให้ผู้ที่ประกอบด้วยเจตนาชั่วร้ายประสบความทุกข์เพรา ะ, ะไอ้สะเก็ดหิน ก, ก้อนนั้นน่ะเล็กก้อนน้อยนั่นแหละช่วยให้พระเทวทัตประสบความสำเร็จ <Okay. S 1> เจตนาที่เป็นบาปจะได้ทุกข์มาหันอย่างั้นน่ะก็ถือว่าในบรรดาอนันตริกรรมห้าเนี่ยน ะ, ะทำสังฆเพศหนักที่สุดถ้าถ้าใครทำครบห้าเลยนะเกิดมาทำอนันติกรรมได้ห้าข้อ ข้อหนึ่งจะอ่าข้อที่หคือทําสังกเพศให้ผลก่อนถ้าจะนําเกิดนสังกเพศจะให้ผลนําเกิดสองถ้าสังกเพศไม่นําเกิดหินที่กระทบพระพุทธเจ้าแบบเนี้ยทําโลหิตตุบาศเนี้ยตัวเนี้ยจะทํานําเกิดถ้าไม่มีโลหิตตุบาศฆ่าผ้าหันจะนําเกิดถ้าไม่มีการฆ่าผ้าหันระหว่างพ่อกับแม่ผู้ใดมีคุณธรรมกรรมตัวนั้นนําเกิดก่อน ถ้าฆ่าพ่อผู้มีคุณธรรมกรรมที่ฆ่าพ่อก็นําเกิดถ้าฆ่าแม่ผู้มีคุณธรรมกรรมที่ฆ่าแม่ก็จะนําเกิดถ้าเสมอกันกรรมที่ทํากับแม่จะนําเกิดก่อนอนะเขาก็มีไล่ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจตนาชั่วร้ายของพระเทวทัตประสบความสําเร็จเพราะหินก้อนน้อยก้อนนั้นแท้ๆเนี่ยนะก็เลยสเสวยทุกเลยมันพระเทวทัตเนี่ยก็อีกนานห่อนะขณะนี้ก็เพิ่งเพิ่งไม่กี่นาทีของนรกเองเนะ เจ็บปวดเพิ่งไม่กี่นาทีของนรกเองให้เวลาทําบาปเนี่ยนะเหมือนชีวิตเรามันนอนมันเหมือนนิรันดรเหมือนอมะตะไหนพอทําบาปเสร็จแล้วเนี่ยไหมชีวิตที่เหลือช่างน้อยแท้แล้วกรรมที่ทำํำไวจะไปทําเก็บไว้ไหนโน่เ no, นี่ยนะก็ชีวิตที่ร้อนรนกรวนกวายตลอดในพระเทวทัศน์เนี่ยทุกข์มากเลยแหละหลังจากที่ฤทธ์ก็เสื่อมอะไรก็เสื่อมลากสักการะก็เสื่อมคือหลังจากที่พระเทวทัศน์ปล่อยนายขมังธนูแล้วก็ ในที่สุดเนี่ยพอปล่อยช้างนาลาคิริงเข้าไปเนี่ยนะประตูสลายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเนี่ยความชั่วพระเทวทัตปรากฏทั่วเมืองราชครึกเลยอ่าแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะโกรธพระเจ้าอาชาติศัตรูมากเพราะส่งเสริมคนชั่วถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่เลิอกอุปถาพระเทวทัตจะปฏิวัติแล้พระช า, ชาติศัตรูก็จำยอมเรียกว่าภาวะการเมืองบังคับก็เลยเลิอกอุปถาพระ พระเทวทัตก็ไปตามทางของพระเทวทัตยอยู่แถวนั้นไม่ได้ตอนหลังต้องขออาหารเขาฉันน่ะเพราะไม่มีใครใส่บาตรให้ต้องไปเที่ยวขออาหารตามเลยนะเราก็เป็นพระที่สูงเหมือนกันนะเราอย่างนั้นอย่างนี้สร้างเรื่องเราอีกมากมายจนถึงกับทําสังฆเภททําอะไรอีกหลายอย่างด้วยกันพราะพระเทวทัตนี้ก็หนักหนาสาหัสหลายเรื่องทําบาปทํากรรมเนี่ยนะ ในที่สุดก็ไปถูกแผ่นดินสูบใกล้ๆกับเชตวันก็มีหนองน้ําอยู่อันหนึ่งเป็นหนองน้ําที่แขกยังกลัวเลยนะขนาดไม่นับถือพูดยังกลัวหนองน้ําที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบเลยแถวนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มันเลวร้ายมากในความรู้สึกของคนที่ไม่นับถือพูดด้วยกันนะยังถือว่าเป็นห น, นองน้ำหนองน้ําตรงนี้เนี่ยที่ตรงหลุมตรงนั้ น, นแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่ยอมงอกขึ้นเนี่ยแขกก็ไม่กล้าลงไปอาบน้ําตรงนั้นด้วยกลัวก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถือว่าอันตรายมากเลยนะ ก็เจตนาที่ชั่วร้ายบาปกรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยหนักหนาสาหัส